บุญญาเนียปรรโลกัตสมิงปฏิษาหวนติบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าสุขโขบุญยะจะอุจยโยความสัสมแห่งบุญนำมาซึ่งสุขทุกโขปาปัจะอุจยโยความซะสมแห่งบาปนำมาซึ่งทุกยิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาเมื่อจิตสศรงทุกขติเป็นหวังได จิตตะอสังคีริตเถสุขติปรารถีกลางขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นหวังได้บุญย่างโจเรหิทูหลังบุญโจร น, นําไปไม่ได้ก็ไม่ว่าแต่บุญบาปโจรก็นําไปไม่ได้รักอาบะาปบุญกันไม่ได้ของใครของมันอืพุทโธธโมสังโฆพธทโธธโพเนี่ยปารถนาปารถนาบานเดียวกันมีวันหนึ่ง ปัทนาสุขทุกหนี่วยไปจากไรจักก้อนในยินจะซื้อไปจากแลนนี่หมดนอกมันปากปลเป็นมันก็จากมันหักทุกมันขึ้นกันเห็นเขาไปใกล้มันมันไม่ไหวใจไม่ยาำทําอันตราดมันบินปื๊ยหนีหมดไม่ไหวใจด้กบมันคือกันมันหักสุขมันมันงออยู่น้องน้าเขาไปเห็นมันซ้ำเขากลายไปขลาดตมจมลงไม่ไหวใจด้รักษาความสุขของตน เนี่ยท้าปานที่บาดขาดสัตว์มันจังค่อยเป็นบาปร้ายนะไกลยางสิแรงโบรซื้อพืปีกพร้อมคงตรงงงจงอยากเนี่ยงูคือการน่งูเหาแถ้าบไปเหยียบมันมันบรมันกัดแน่พราะเห็นอะไรกับงอข้อพึ่งเส้นอดมรักษาตัวมันไมมาเห็นกูก้อน้น่หนิวัสดุอะได้น่หนิวัสดต้องแสดงออเพยงหานไว้มันกะายพึ่งข้อเส้หลอดอันเทามันกัดเท่านะเขาไปเหยียบมัน่ะอันเทามายำจิกลาดแดนมากนิพมีดอกเดี๋ยงูจงอางงู เหอเห็นสัปนปลานาทิบาศเพื่จอจะเอาอะไเบื้องต้นคนเท่ามันฮักเจ้าของก่อนงูแบบไงลุยๆขม่า น, นี่มงร่วพ่อขอกเสาเนี่ยม่ได้คัยเอกแขนกันได้หมามองอย่งนี้มันได้หันหักหักสองไข้ามันีม่มาปล่ได้ว่ารได้หันซีกันลบเป็นเล่าๆหมดแล้วหักเจ้าของหลายกัผู้อื่นพระพุทธเจ้าหักผู้อื่นทำเดียวกับเจ้าของพระพุทธเจ้าลงทุนลงแห้ง ท่านลูกข่านเต่าข่านยังไ่พอเป่นเป็นพระพุทธเจ้าฉันว่าเป็นนมเทศเอาเแ่ไม่จะบขั้งตลาดมูเฮ่อผู้ไหแขงดีแขงเด่ดนยินดีหรอกเนี่อุปมาคือแข่งล้มฐานเพ uh ิ่งล้มทานเพิ่งผู้ใดยินดีในรองทั้งปวงยินดีในล้มทานเพิ่มผู้หญิงผู้ใดยินดีในพันธ์ผ้าเรื่องผู้นั้นยินดีในนามดับไฟ พื้นดงเ่ยินดีนะพันธุ์ผ้าเรียวพื่นแดงขนฟื้นสะไฟไม้หัวเจาะของเผาเจาะของซ่ําโรคอันนี้มันเป็นโรคเป็นโรคปวดปวโรงพิบะร่องพยาบาลพีทัญญาไม่ใหญ่ทะเลเกิดทะเลแก่ทะเลเก็บทะเลตายเป็นทะเลทุกทะเลโรคทะเลโกดทะเลหลงเป็นทะเลพืชของทุกเหลือว่าทะเลอวิชชาทะเลของโง่ ชนะข้องง้ออะไรแล้วก้อนสนาจังสนิงสนี้กข้องง้อจังที่ข่ามข้องง้อปเขาชูพเนี้พานได้ชนะแต่ศานาขันย่นี่หัวใจแพ้กับพแพ้กันเรื่หัวใจชนะข้องกีเรตอย่นี่ได้กีเลตมันอยู่ตั้งบานตัางเมืองจะหอบเมบืองไกขันว่ามีใจกับว่ามีเกีเรติขันว่ามีสนิมกับว่า ม, ม, มีเล็กว่าไม่เล็กกตบว่ามีสนิมขันเล็กดีกับว่ามีสนิม ขันใจที่พึกงพ้นแล้วก็ไ บ, บ่มีกิเลสที่มกกาใกล้ได้ท่านวัดเสวัดพระวรรณพระวราวัดพ่อแล้วปัญญาวัดทอพ่อแล้วมหาสติพ่อแล้วมหาปัญญาพ่อแล้วกิเลสเขามาใกล้ปะไรเดี๋ยวนี้กิเลสมันจองเลยนะมันจองคิดจองใจเลยนะสวนพระสวนดาวันนึงนางพลายหนีวัดแต้วกิเลสนางพลายนางจะกิเลสยางกลางอย่างละเอียด ชวนพรักะท่าข้ า, ามี่ชวนกระไรไปละเอียดก็พระสซอวัน่วนพระนางข้านีา่กี่เดดยางหยาบกับยางกลางไรขาดไปวัดแล้วบ่มาอยู่ไรย่งทยางละเอียดนี่ขมันน่าเหมือนย่งตะกอนอันละเอียดที่ชุดตะกอนยาวๆกองขอนนี้เอาดีวัดแล้วทาหน่าหมย่งตะกอนอันละเอียดฝาหน้ขาขาี่ชวนทหารเร ว, วัดแล้วบ่มีเลย สติปัญญาเหนื้อว้มลงวัดอะมากไก่ว่าไร่ก้มลงสว่างเหมือนดังไฟพ่งปัญญาปัญญาอย่าปฏิสุทธิ์ชติจะปฏิสุทธิ์ก็เพราะปัญญาปัญญาโลกก็จะมีปัจฉโฟโต้แต่งสว่างเสมอแต่ปัญญาไม่มีชินสมาธิปัญญาของพระโสดาบันชินสมาธิปัญญาของสปทาคามีชินสมาธิปัญญาของพระอนาคามีชินสมาธิปัญญาของพระอรหันต์ต่างกัน มีคุณค่าต่างกันตรชิกขาของพระสสดาวันไตรชิกขาของพระสกทาการ์เี่ยตรชิกขาของพระอนาคามีตรชิกขาของพระประหารในปฏิวันก็มียิ่งยอนกว่ากันปฏิวันพระสวัสดิวันปฏิวันิสกทาการ์มีปฏิวันพระอนาคามีปจุวันพระประหารปฏิวันพระปฏิเจปฏิันพระสมมาสัมพุทธเจ้ามียิ่งยอนกว่ากันตามฐานนันดรศักดิ์ของธรรมะจะไปตีเสมอกันไม่ได้ตามก้อนั้นลงมาเป็นโลกีไม่ต้องเอามาเอ่ยเลยทําไมจึงมีโลกี มาปนเปศาสนาพุทธก็พระเอาคําสอนศาสนาอื่นมาปนเปศาสนาพุทธไอ้แท้คําสอนศาสนาพุทธมีแต่โรกุตะละชัางนั้นนับแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปบัณฑิตโตขัมาวะสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเลือนก็คือพระโสดาบันเราดีๆนี่เองนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันแต่อายุเจ็ดปี มีลูกยี่สิบมีหลานยี่สิบมีเหลียญยี่สิบแต่ท่านยินดีแต่สามีของท่านท่านไม่ร่วงละเมิดสามีของตนเลยไม่ใช่ได้อยากร่วงละเมิดอีกด้วยไม่ใช่ดาอยากจะถือศาสนาอื่นอีกด้วยไม่ใช่นาอยากจะถืออยู่ยงคงกระพั์ด้วยไม่ใช่ดาอยากจะฆ่าขายเครื่องปหารฆ่าขายมนุษย์ ค่าขายัตเป็นในเรื่องสัตที่ตัวข่าเพเป็นอาหารค่าขายนมเอาค่าขายยาพิษการค่าขาหอะอย่างนี้พระโสดาบันไม่ใช่ได้ร่วงระมือดเลยสิ่งไหนไม่ใช่ได้ร่วงระมือสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจก็รักษาง่ายความดีคนดีทํำในง่ายความดีคนชั่วทํำในยากความชั่วคนดีทํำในยากคนชั่วคนชั่วทํำในง่ายตรงเงินข้าว มดพูดมแมลงวันจรินง่ายแต่มแมลงพูไม่ฝันเลยมแมลงพูแมลงพึ่งผลเกสรดอกไม้มแมลงวันก็ไม่ฝันเลยเหมือนกันของไขรของมันกรรมโมนาพัตติโลกุสโลกเป็นไปตามกรรมก ร, ร็มีอำนาจเหนือโลกใดๆทั้งสิน้นส่วนพระรหันผลจากกรรมและผลของกรรมไปแล้วกุศลกรรมก็สร้างพอแล้ว อกุศลกรรมก็เว้นพอแล้วเหตุนั้นจึงทรงอยู่เหนือกรรมไปในตัวแต่ไม่มีอุปาทานใดๆทั้งสิ้นไม่ยึดถือว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลุดพ้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่หวังเพื่อความลดพ้นก็สอนสดงเห็นว่าบารมียังอ่อนอยู่ถ้าหวังความลุดพ้นบารมีแก่กล้าแล้ว อาวัยมุกทุกประเภทถ้าเว้นก็เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสวรรค์สมบัติเต็มภูมิพรมสมบัติเต็มภูมินิพพานสมบัตินิพพานสมบัติเต็มภูมิถ้าไม่เว้นก็ตรงกันข้ามผู้มีดวงตาเห็นธรรมไม่เสียดายอยากล่องละเมิดเลยไม่ว่าดวงตาปัญญาสักกายสิทธิไม่ถือตนถือตัวในพุทธศาสนาเลยวิจิจิชาไม่ลังเลในพุทธศาสนาเลย ชีและพอตปรามาตไม่ลูปคลำเลยพระพุทธศาสนาเลยเดินตรงไปทางดีไม่แวะไส้แลยขวาไม่ถอยหลังอีกด้วยไม่สงสัยจะแวะด้วยไม่สงสัยจะถอยหลังด้วยชา้าหรือเร็วก็ค่อยเดินไปคือเดินทางกิจทางใจทางสติทางปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธอยากรู้ทางนั้นมิเช่นั้นแล้วก็จะเป็นเถนสองบาทคนไม้ก้นหมูก้นพระกดพวกของชาวโลก ตั้งขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเช่นส่งเสริมอวัยวุฒิมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันเอา้าถ้าชาวโลกมีเสียงหาบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีทหารก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีไม่ต้องงบประมาณในเรื่องอาวุธยุทธภัณฑ์เหตุที่ไม่มีเสียงหานั่นเองชาวโลกจึงได้ลงทุนซื้ออาวุธยุทธภัณฑ์เอาเงินเดือนให้ทหาร อโขให้ตำรวจม้าถ้ามีถ้ามีพิน า, า, า, าบมเดบูลนับแต่รู่เลียงสามาแม่นไหวแต่ว่าไม่เสียใจทิ่ผิดมนุษย์มาแต่กำเนิดมาแต่กำเนิดกำเนิดกำเนิดนีด่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันเป็นตัวจริงแล้วก็ว่าทั้งสองคำพอสมมุติถ้าว่าไม่สูกสมมุติเขาก็ว่าเราไม่รู้จักสมมุติมันหยัด เพราะคพูดคําสมมุติไ ม, ม่เสมอกันไม่เหมือนกันกินอย่างนี้ก็พวกชาวบ้านเราเรียกกันรับทางก็จุภาพไปหน่อยฉันก็เป็นเรื่องของพระอันเกิมก็คงเป็นเรื่องของยวนพระพุทธศษาสน า, าเรียนวิาชาเคล็ดลับข่าวในพุทธศาสน า, าก็มีแต่ข่าวทุกข่าวนังสือพิมพ์ก็ข่า ว, าวทุกข่าวเกิดก็ข่าวทุก ข่าวแก่ข้อข่าวทุกข่าวเก็บข้ข่าวทุกข่าวตายข้ข่าวทุกข่าวหิวข้็ข่าวทุกที่ฉาปีภาษาทุกขาหิวข้าละหายหน้ามัก็เป็นทุกขจโรปสโรโหติทุกโขปวดอุจระปัสสาะก็เป็นทุกขเหล่าข่าวทุกทุกมันมียทุกลมหายใจเขาออกอันนี้จังมันก็มียทุกลมหายใจเขาออกทุกก็มีทุกลมหายใจเขาออกอันบ็มสารบรมทุกคนก็ไม่ยุติทุกลมหายใจเขาออกคุณธรรพคุณธรรมผสมก็ไม่ยุติทุกลมหายใจเขาออก มักพอนี่พานก็ไม่ยัทุกลมหายใจเขาออกสังขารก็มียทุกลมหายใจเขาออกศีลก็มีทุกลมหายใจเขาออกสมาัสที่ก็มียทุกลมหายใจเขาออกคนตายก็มีทุกลมหายใจเขาออกจับลมหายใจเขาออกหรออ่านได้มัดเอาโลดเห็นไหมแต่เสียวจากอ่านอ่านกับอ่านเนี้ยกระดานดำน่ะคือลมหายใจเขาออกคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณพระธรรมพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้ก็มียทุกลมหายใจเขาออก บาปกาันเท่าทำกมี่ทุกลมหายใจออกบุญกันเท่าสร้างกับมีทุกลมหาใจเขาออ ก, ก, ก, ก, เ, ออกเอานัญหาละเป็นสถานีร่วมกวดบุญกวดบาปก็เอาปัญหาละผู้เบียดเวียนเพื่นกับ ม, มีทุกลมหายใจเขาออกคณะเก็บร่ิเบียดเบีนกับมีทุกลมหายใเขาออกลมห้ยใจเขาออ ก, เ, ออกเป็นกรรมฐ า, านใหญ่ที่สุดในท่ามพระพุทธศาสนาะหลักกายสังขาร เพิ่มเกิดแก่แก้ตายมีทุกลมหายใจเขาออกเมื่อเกิดเมื่อแก่เมื่อแก้เมื่อตายกับนี้ทุกลมหายใจเขาออกเห็นลมหายใจเขาออกหรืเห็นมัดเวไเวทจะ้องการเห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งผมก็ร้องหายใจเขาออกก็เห็นโลกใจก็เห็นรอบโลกคือนกันเห็นทุกขณะคิดหนึ่งผมก็ร้องหายใจเขาออกก็เห็นรอบโลกคื้นกันเพราะหลกถือไป็นวามทุกข์เห็นอนัตตาคณะคิดหนึ่งก็เห็น หลอกหลอกหนึ่งพอหลอกเต็มไปด้วยก็มาหมันว่ดเทียงไปย้อนในอำนาจวาสนาของผู้ใดเป็นไปตามสภ้อ้าวัดถ้ำเป็นยังเขาจึงอาบน้ำเพราะมันสกปรกเปยังเข้าจึงรักษาล่างกายของเข้าเจ็บป่วยเพราะมันมีโรคเปงเข้าจึงรักษาศีลธรรมพราะคิดใจของเข้าสกปรกมันมีกิเลสกันกิเลสไม่มีในคิดในใจเข้ากับปฏิบัติศีลธรรม มีกิเลสเท่ามีในใใจิตในใจเท่ากันเลยปฏิบัติเสียงท่มเพื่อให้มันเบาบางร่องได้เหื่อแหงหายไปขันโรคโกดหลงไม่อยู่การปฏิบัติเพื่อให้มันเบามันบางร่องหลือมันหรือให้มันเหงื่อแหงหายไปกับปฏิเสธเมื่อไรขันสนิมมีอยู่กับปฏิเสธในการเสริมรักษาสนิมเ่อไรเล็บ ก, กันมีดผ่าจกเสียมคันไฟมีอยู่การเว้นมอจับ เมือลงลุมทานเพิงหรือบอจับไฟหรือประกำทานไฟอย่างแดงก็เว้นไม่ได้ก็ต้องปฏิบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติก็คือเว้นอบายยมุขถ้าไม่เว้นอบายยมุขแล้วก็ปกปิดมนุษย์สมบัติถ้าไม่เว้นอบายยมุขกรปิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพานสมบัติเหมือนกันกันถึกอันนี้ก็ถึกไปมัดรดผู้บวชเห็นโทษนะอบายยมุข สืว่าตัวสลาดสักเพียงไหนกระามก็เป็นเครื่องโกหกพกร่มเจ้าของคือหเจ้าของหอนใจเพราะถ้าอย่างชีวิตทํามาอย่างชีวิตประสบช่รมมีเงื่อนหาได้ว่านารานกับมอยูคนไมคนมูน ก, นก็พรกคพวกตั้งขึ้นส่งเสริมอบายมุขไปว่าหลอดต้องคีดกันมิตร ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ดีตอนไหนดีก็ส่งเสริม ตอนไดชั่วก็กีดกันพระพุทธเจ้ามิ ด, ดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีตอนได้ไม่เหมาะสมก็ขีดกันตอนได้เหมาะสมก็ส่งเสริมจะทําดีก็ค่อยตามจะทําชั่วก็ค่อยตามต่อห น, น้าว่าสารเสือนะ่อรับหลังตั้งเงินธา น, นั้นใช่ไม่ได้หรือลิกได้ไม่ได้ก็ดีความรัอบอการถวายชีวิตต่ตอพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมือ่อแล้วเท่ากับสู่พระนิพพานหรือลิกได้ไม่ได้ก็ดี ขอเป็นท่าเป็นท่าตต่อพระพุทธท่าจมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อไม่ ม, มีประมาณดาเบเ anyway ท่าข้าสู่ย์พระนรพลในเลือกได้ไ ม, ม่เกได้ก็ดีขอขมาโทษพระพุทธประสามพระสงฆ์ร่ายกายวายใจอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณดาบเท่าข้าสูนย์พระนรพลในเลือกได้ไม่เกได้ก็ดีขออุทิศกุศลกุศบุญให้ทั่วทั้งใจโลกธาตุอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณดาบเท่าข้าสูนย์พระเนรพลขอเป็นมิตรเป็นสหายเท่าทั้งตจโลกาอยู่ทุกเมื่อปฏิจจาวเวนไพรม เลืวเลกได้ไม่เลิกได้ก็ดีเท่าทางตจโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบาวาระพุทธศาสตร์คณของพระสมานพรพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่ทุกเมื่อเทินถ้าจิตใจของท่านผู้ใดเป็นอย่างนี้อยู่ไม่มีกลางวันกลางคนเวรไพรจะมาจากประตูใดละ่ะมันก็ไม่มีไม่มีเวรไัยไม่มีเวรไัยไม่มีแก่ท่านผู้ใดผู้นั้นหลับ ก, ก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขฝันก็ไม่เห็นรามกันชัวร้าย อารมณ์ของท่านโูนั่นก็เป็นที่สบายของจิตของใจไม่แสลงเลยถ้าชาวโลกมีสินห้าบริบูรณ์ชาวโลกก็เป็นสุขถ้าชาวโลกไม่สนใจในสินห้าความสุขจะมาจากประตูใดผู้รับษาสินห้าก็คือผู้เว้นจากเวรไทยห้าประการมีประาถิบัติอธินาการมยมุสาสุราเป็นต้น ลดอาวุธเวรภัยแล้วดับยาบนั่นคือภูมิของพระโสดาบันนั่นคือภูมิของนักปราชญ์จงทําจิตให้บันเทิงในการละชั่วทำดีตามสติกำลังของตนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้ในใจถึงในทางทาดีตามสติกำลังของตนเถิด อ, อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทางชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทาดี การตติกำลังของตนเถิด อ, อย่าเป็นผู้มีอิสระในทางทางช่วยเลยเป็นโรคหะายอ่าโรคหัวใจบ้าโรคทุ่งน้าดีเป็นเนิ้วบ้างโรคภูมิแพ้บ้างโรคโรคหมากโตบ้างโรคกระเพาะบ้างโรคท้องผูกบ้างโรคทุ่งน้าดีเป็นเนิ้วบ้างโรคหัวใจส่งเลือดไม่ทัน โรคไ้เลื่อนอีกเสียด้วยสมัชชาไม่ผ่าไม่ตัดสมัชชาไม่ไปนอนข้างคือในโรงพยาบาลโรคภูมแพ้อีกด้วยโรคชราเป็นหัวจักเขาเออเประจุกปรนจุกโรคชราเป็นหัวจักเขาเมื่อนี้ยวเมื่อนี้บวมาสองการแม่นวะย่งจากมือโอ้โหมาเอาลายมือแทีสวดแล้วได้สพุด้าติขาดบอ อบุญพากเก้าแม่นวะฮะสามมือม่ออะฮะแค่ก่ะวันที่16หกจังแล้วนี่วันที่ใส่เงอนโอ้วันนี้จะโตเนาะไปพผากันไหม นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้ามี่เซวิตมาหอดปีนี้อะไต่อสงการไหมเขายกว่าบุญเท่าไรแต่บุญเท่าว่ามี่เท่ากับตายจะไปกายหรือว่สามารถทีมาถึงสงการเนี่ยก็ว่าได้ในลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณสะพคุณทั้งปวงโยนให้หันวัดบอกเป็นเรื่องขึงของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ คุณพระทุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นเมื่อขืนของคุณพันิพายอยู่วันเดียวคัละคุณนะม่แสดงกันเนาะคือเกลือนี่ไปยึบใส่สกับพ่อไดอยู่อ๋อยึบสลายอ๋ออันคันยึบใส่พอดีพรงามคือ น, น้ามันเอ๊ะยังกระเแล้วมันคือเข้านี่เอ๊ะยังกระเแล้วมันกับมากินมั่นะคมัน จ, จะสิ้ยู่ไร่ทองอาหารคือกันอาหารของของสนนบุนมาอยู่ ในอารมณ์ควาคิดของใจจังเป็นจังยูเป็นทียูสบายพูดถือว่าพุทธศาสนาอารมณ์ความคิดของใจมันเปลี่ยนไปในท้าเบียดเบียนเป็นส่วนมากพูดถือว่าไมีบาปไม่บุญก็ไม่ต่บาปยังในหันอรอถบาปยังในใจส่างบาปเพราะมีความแหวงขึ้นพุ่นมันพูดถือ่ไม่บาปมบุญก็เรียกว่าสร้างว่าสร้างบุญอยู่เพาะมีาแหงขึ้นสร้างบาปก็เป็นส่วนน้อยมัคคารมนาธรรมามัคคารลม อารมณ์ไปทางบุญมักคาเหตุตุกคาธรรมะเหตุไปในทางบุญมักคาทิปจิตวิปธรรมประปฏิบัติไปในทางบุญอยู่ในตัวทรรมดีก็ไปบวกดีโยใจธรรมชั่วก็ไปบวกชั่วยโยใจเมือ่อตอนเขาขอกงานคือเมื่อนคือควายทรรมดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทรรมชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจทรรดีบ่อยๆใจก็สูงขึ้นในทางดีบ่อยๆ ทำชั่วบ่อยๆใจก็ต่าไปในทางชั่วบ่อยๆนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้เกิดขึ้นได้นอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้เกิดขึ้นได้นอกจากธาดไฟก็ไม่มีอันไดจะหงต้มธาดุเพียงอาหารได้นอกจากธาดไฟก็ไม่มีอนใดจะไม่เรือนได้เหมือนกันในโลกนี้มีคุณเป็นมหารก็มีทอดเป็นอนันต์ยดใจก็มีคุณเป็นทหารจะทาดี ถ้าทำให้ดีก็มีโอดเป็นอนันต์เหมือนกันผูกคอตายก็มีก็เพราะใจฆ่าตัวตายก็เพราะใจพระพุทธศาสนามีหลายชั้นชั้นมนุษย์สมบัติชั้นสวรรค์สมบัติชั้นภูมสมบัติชั้นนิพพานสมบัติถ้ามนุษย์สมบัติถูกมนุษย์สมบัติแล้วก็ถูกสวรรค์สมบัติก็ถูกความสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวถ้าไม่ถูกมนุษย์สมบัติแล้วก็ลําบากจะมีน้อยมีมากไม่เป็นปัญหาเพราะให้ ม, มีในทางบริสุทธิ์ ได้มาในทางที่ไม่บริสุทธิ์เต็มแผ่นดินแผ่นฟ้ามันก็มาอยู่เพราะคนก็กรจำตามสนองวัตถุนิยมเราก็ชมว่าดีอยู่แต่มันอยู่ในอู่ของอนิจจังทําไมจึงยินดีในพระนิพพานก็พระวัตตาสงสารเต็มไปด้วยกองทุกข์ถ้าโรคกรดหลงมีอยู่ตามใดความปฏิบัติเพื่อบรรเทาโรคกรดหลงให้บาวางและเหนือที่จะหายไปก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์มีอยู่ตามใด ทำอันที่ไม่เกิดทำอันที่ไม่แก่ทำอันที่ไม่เก็บอันทําอันทําอันที่ไม่ตายก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องมีอยู่การประพฤติเพื่อหาพระนิพพานทำก็ต้องมีอยู่เหมือนกันความประพฤติเพื่อวารเวียนว่าตายเกิดในวัฏสงสารก็มีอยู่เหมือนกันคือไม่รู้เท่าเอ็นเท่าภัยก็สนองเอ็นสนองภัยอยู่ในวัฏสงสารถ้ารู้เท่าเอ็นเท่าภัยแล้วก็ไม่สนองเอ็นสนองภัยอยู่ในวัฏสงสารก็ออกจากวัฏสงสารเท่านั้นไปทีแล้วเล็ดน้อย จนถึงที่สุดทุกโดยชอบเตรียมต่อตัวออกจากวัฏสงสารก็คือสินห่ากิเลสหยาบหยาบสินห่าทำลายไปแล้วสินทําลายกิเลสหยางหบสมาธิในชั้นนั้นก็ทําลายกิเลสปัญญาในชั้นนั้นก็ทําลายกิเลสเหมือนกันปัญญาศินสมาธิปัญญาในชั้นพระโสดาวันก็ทําลายกิเลสหยับหไปแล้วปัญญาในชั้นพระเจ้าทาคามีศีลสมาธิก็เหมือนกันก็ทําลายกิเลส อันละเอียดไปกว่านั้นปัญญาของพระอนาคามีก็ทําลายปัญญาของพระอนาคามีศิลสมาธิปัญญาของท่านก็ทําลายกิเลสอันละเอียดไปกว่านั้นอีกศีลสมาธิปัญญาของพระละหันก็ทําลายกิเลสจบสิ้นหมดแล้วแปลว่าเรียนนโมจบแล้วนโมแปลว่านอบน้อมนอบน้อมไม่มีกิเลสไม่มีโลคไม่โกรธไม่หลงเลยพระละหัน น้อมจนได้มาเกิดแก่เก็บตายเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วเนี่ก็จบแล้วเรียนนโมจบแต่นโมต่ํากว่าพระสวัสดบาลลงมามันก็เป็นนโมเลกนโมผาณโมบัดนโมมือมันก็ยุ่งเหยิงนโมนนโมเวียนนโมทิ้งฟืนใส่ไฟเมื่อจะแรกเอาดุนก่อนคืนมามันก็ไม่หมดหลังจะเอาทางลัดมันก็ชี้หาทางลัดหลังจะเอาทางลัด มันก็ชิบหายทางรัฐเพราะมันเป็นทางที่ไม่เจริญเพราะพระรามาสนาทําก่อนพวกเราแล้วอาบายยมุขทุกประเภทพระบรมศาลาสวยก่อนพวกเราแล้วท่านทั้งหลายเราเนี่ยทำมาแล้วพวกท่านทั้งหลายพวกคุณทั้งหลายพวกลูกหลานทั้งหลายอย่าไปทำเถิดเราสถาคดทำมาก่อนพวกคุณพวกท่านพวกเธอแล้วมันไม่เจริญพวกท่านพวกเธอพวกคุณ พวกลูกพวกหลานทำทีหลังเราดอกเดินตามหลังเราเราทำมาแล้วมันไม่เจริญเหตุ น, นั้นเราจึงมาห้ามลูกๆกหลา น, ลานเพื่อให้รักษาเอาง่ายๆไม่ต้องทดสอบเราทดสอบมาดูหมดแล้วในไตโล ก, กระธาตุไม่มีใครเหนือเราไปเลย่พระบรมศาลาไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ร่วงละเมิดเราร่วงละเมิดมาแล้วมันไม่เจริญลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยหยุดจ้ะเสียเวลาพระธากดได้ประสบการณ์มาแล้ว พวกโรคหลานพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายมาทําตามหลังดอกมาเลียมก้างจงเลียมก้างทางดีถ้าจะมาเลียมก้างทางชั่วที่นี่เราจะไปทำแฉงพระสัมมาสพุทธเจ้ามันจะได้หรือเพราะท่านทํามาแล้วมันไม่เจริญจึงได้มาบอกพวกเรานั่นแล้ะอาไหมเหรา <laughs> นั่น <laughs> เล่นให้ก็เสียให้เรียนหน้าก็เสียหน้าจ้ะไฟใหม่เคื่อไหม่สร้างที่ดินมันยั่ง ไฝ่ไม่เลกไม้้ามาย่างนี่ไม่วัดอ้ที่ดินต้องกูขายตั้งแสนเท่านี้ร้านใบเดียวนี้วันเท่าขายแสนตะกี้เขาายชี้ล้านหาล้านนะบัดเนี่ยไหเฮปิซ็อจงปองดม่นบ่เมื่อไขายไหวอะไรที่ดินมันไปยูนําญี่ปุ่นหมืนที่ภาคตะขายจะเขาสิไล่เฮ้าหนี้จากประเทศม่งจักบ่มุ่เจ้าผสมชนะสยโยกที่ดินดีๆจากประเทศไทยนะมาขายขายสักข้าวอางสันโตมู่งเฮาจะขายเขาตื่นเงินล้าน เงินล้านมาเฮ็ดเพื่อนกับพ่ไใดพอหลังของแม่นวะบบกนั่นเอาไปได้ยี่นี่เอาไปได้ยี่นี้นี่นี่ไดนะ้พรายขวดเอาปบา ย, บายสเสลเอกได้เช็ดขอหลอ่อเห็นไปซื้อทองปองของแม่นวะน่าสื่อเล็กเจ็กสื่อดินนั่นน่ะคนบางคนมาขายหน้าไปซื้อรถรถเป็นเข่าขีดยางเป็นที่ขันหนหน้ามันเปนเขา ข, ขีดยางว่าเป็ยนนะ่ที่ไปรับจากกบ้างกับพ่อที่ได้ข่างใน รับจ้างเขาสิ่งั้งเขาขืนเขาเป็ น, นขึนรถดีก็รถตเขาเน่ยตพ่อถึงนี่ครูเขาขึ้นนรถเท่หัวดอนเอาจ้างเขาคนมาขับรถแล้วสัง่งเขาก็ลักเอาน้มันเขับไนั่นดูว่าันยักเชียงรถย้อ น, นเสียหน่อยเขาก็ว่าเสียหลายอันอะเขาอาเงินไปซ้อมเขาตอยักเชียงมันแล้วพืน้นโตดรอสิ่งมือพื้นยกไว้ ตัวไม่มรถจะกรานเขาไม่ได้เกียต้างหรือยุวานนั่น่เคยมีรถจักรยานเพื่อนก็ไม่เคยมีปืนจักบอกพอบวงวนแม่กับวังวนซุดเพื่อเขยมานิังวนแน่คนหนึ่งสองคนเพื่อเขยวังวนปืนยิงนกยิงหนูสู้บ้นกับวัชงวนฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ ค้าขายสัตเป็นเนื้อสัตว์ทตัวข่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสวดาบันไม่ใช่ได้ยร่วงละเมิดเลยพระจักรสวสดาบันไม่ใช่ได้ยร่วงละเมิดสิ่งห้าไม่ใช่ได้ยร่วงละเมิดอบัยวุฒไม่ใช่ได้ยร่วงละเมิดถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียด้อยากจะถือเหลือดียามดีไม่ใช่ได้ยอยากจะถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาทําไมจึงไม่ใช่ได้เพราะเห็นว่า ลัทธิอื่นไม่สอนละเอียดละออเหมือนพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนละเอียดละออลึกซึ้งไปกว่าลทัทธิใดๆทั้งสิ้นเพราะเป็นศาสนาประจำโลกด้วยประจำธรรมด้วยพระพุทธเจ้าจะมาขี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามมากกว่าเม็ดหินเม็ตายในยท่อมหาสมุทรร้อยโกดมหาสมุทรก็าตามก็เป็นคําสอนอันเดิมไม่ได้รับร่างพรบรเลย ไม่เหมือนกฎอไม้ก้นหูก้อนผักก้กนพวกของชาวโลกหรือลทัทธิอื่นๆซึ่งดัดแปลงแก้ไขอยู่ไม่แน่ไม่รอดเพื่อจะทําแข่งพระพุทธศาสนาะไอเ้เท่ๆก็กองทัพําลายม้วนขึ้นฟ้ามันก็ตกลงใส่หน้าของใครของมันนั่นเองมีผู้ทําลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่ก็ทําลายไม่ได้ถ้ากว่ามีผู้ทําลายได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สืบโลกแต่พอสร้างบา ร, รมีมาแล้วก็ โผออกมาโผล่ Pro, ออกมาเลยใครจะกีดขวางไว้ก็ไม่ได้พวกจัาพวกเป็นสุภาษิตวดาวนสักษาขาวนี่พระหันก็เหมือนกันสร้างบารมีเต็มแล้วก็โผล่ออกมาเลยใครจะกีดขวางไว้ก็ไม่ได้กีดขวางความดีก็กีดขวางไม่ได้แต่ความชั่วก็ยังกีดขวางไม่ได้จะกีดขวางความดีได้ยังไงผู้ทำดีก็ได้รับผลดีผู้ทำเชั่วก็ได้รับผลชั่วตามสติกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนเพราะในโลกนี้มันเป็นของทิพ ใครอยู่ชั้นไหนก็รับทริปชั้นนั้นมแมลงวันก็เป็นของทริปของมันใช่ไหมมันกินมูดพูดมแดมลงผู้แมลงพึ่งมันก็เป็นของทริปของมันใช่ไหย ม, มันกินเกนสรหรือไม่ตาเขาก็ต่างอ้างทริปออกเหมือนกันแต่อยู่ในคนละระดับที่นี่ทีนี้เราจะเป็นมแมลงวันนี้จะเป็นมแมลงพึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรา ท, รร <c oughs> ที่ถูกไหมใครก็มีอิทธิพลเหมือนกันตามกรรมของใครของมันมแมลงวันก็มีอิทธิพลทางมดพูด มเ adding, มืแรงพุ่งเมื่อแรงพึ่งก็มีอิทธิพลทางเกสรดอกไม้ปลาก็มีอิ in. ทธิพลทางว่ายน้ําไส้เดือนก็มีอิทธิพลทางทํารูทำเรือนอยู่ที่ดินปลาอะไรก็มีอิทธิพลอยู่ทางตมทางโคนทางตมทางดินเหมือนกันนกก็มีอิทธิพลบินในอากาศมนุษย์มีอิทธิพลกว่าทุกๆชาติทุกทุกสั้นวันน่ะก็สามารถทําอะไรอันใดได้ทั้งนั้น เสืออย่างนี้มันก็มีวิชาแต่กัดกับตะคุกเท่านั้นมนุษย์มีวิชาเวียดเวียนมากโคกระบือมีวิชาเวียดเวียนเพียงชนหรือเหยียบเท่านั้นส่วนมนุษย์มีวิชามากวิชาเบียดเวียนมากเหตุฉะนั้นวิชาลดความเบียดเวียนจึงมีมากกว่าเขาเราเกิดมาทําไมใครบอกเราเกิดมาก็ไม่มีใครบอกเกิดมาพฤติกรรมของเรามีก็ต้องเกิดมาใช่กรรมของใครของมันเหตุฉะนั้นคนจึงไม่อยู่ระดับเดียวกัน มีเพื่อผวันละก็ไม่เหมือนกันยิตใจก็ไม่ไม่เหมือนกันอายุยืนนานก็ไม่เหมือนกันชั้นวันณะก็ไม่เหมือนกันเพราะกรรมและผลของกรรมพาให้เกิดนี่ว่ากรรมโมโยนี้มีกรรมเป็นแดนเกิดเกิดอะไรว่าเกิดในครันเกิดในไข่เกิดในฟองไข่เกิดในเท่าไข่คือของมักง ม, มเกิดพุทธขึ้นเหมือนคนเหมือนสัตว์ในโลกและสวรรค์เกิดพุดขึ้นเป็นตนเป็นตัว เมือนเราอ น, นอนฝันเกิดในคันก็ก็เหมือนโคเหมือนกระบือเหมือนพวกเราเกิดในฟองไข่เพเหมือนนกเหมือนหนูเหมือนปูเหมือนปลาเหมือนเต่าทัศนีเท่าท้องเท่าทัศนีเท่าเกิดในฟองไข่ก็คือเต่าพระอรหันไม่มีหลงอะไรเลยพูดสมมุติก็ไม่เดือดร้อนพูดไม่สมมติก็ไม่ติดอยู่ในนิยมพูดสมมติก็ไม่ติดอยู่ในสมุมติยืนเดินนั่งนอนไม่มีกิเลสเข้าไปสิง นึกคิดไม่มีจิตเข้าไปสิงเพราะไม่มีเรามีเขาเข้าไปสิงไม่แต่ระวังยากถ้าท่านระวังอยู่พระพระอรหันต์ระวังจิตไหมไม่ระวังจิตถ้าพระอรหันต์ระวังจิตอยู่พระอรหันต์ก็เป็นคนกลุ่มนักโทษใช่ไหมเพราะเกรงนักโทษจะมาทําอันตรายตนเกรงนักโทษจะรักหนีอีกด้วยเหตุนั้นท่านไม่รักษาปัจจุบันอดีตอนาคตเพราะมันไม่มีโทษจะรักษาทําไมแต่พวกเราไม่มีโทษมันติดจริงจร ทำไมรักษามันมีโทษพิษจริงๆเพราะมันยังไม่พ่นถ้ามันพ่นแล้วมันก็ไม่รักษาเนี่ยอจะรักษาอะไรมันไม่มีไม่มีกิเลสจะรักษาทําไมแต่เพวะเรามีกิเลสอยู่มันก็ต้องรักษาทําไมรักษาเพราะมันมีไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทําไมไม่รักษามันก็ไหม้หัวตนจริงๆทีนี้ไฟไม่มีอยู่ในท่านท่านจะรักษาว่ามันไม่มีอยู่ในหัวใจเลยไฟรบไฟโกรธไฟหลงไม่มีในหัวใจเลย ก็ไม่เก่งว่ามันจะไม่ตนและไม่ผู้อื่นนะท่านจะรักษาทำไมทำเป็นของกลางไม่อิสระอยู่ทุกคนจะทําดีก็อิสระของใครข้อมันจะทํำผู้ก็อิสระของใครข้อมันไม่ใช่ทําให้คนอื่นทําให้นตนตนคือใจใจ ค, คือตอนตามสมมติใครเป็นเจ้าของสมมติใครเป็นเจ้าของไม่มุติก็ไม่มีตัวอีกนะเวลาสายยันตะวันเย็นริบสีริบสีต ร, รงรับขอบฟ้า วันเวลาชีวะกืนกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไม่อิ่มเลยวันเดือนปีกลืนินชีวิตของสัตว์ไม่อิ่มเลยพระหันออกนี้จากโรงพยาบาลศรสีสัญญาแล้วมีพระหันจะเพื่อเดียวออกจากโรงพยาบาลศรสีสัญญาหรือนอกนั้นก็ยังมีบ้าอยู่ป้าโรกุตระป้าโรกีก็มีม้าโรกุตระ นับแต่พระสวัสดิ a สักการคามีอนาคามีส่วนพระทารจบแล้วตํากว่านนั้นลงมาเป็นบ้าโรกีบุญของพระสวัสดิ a สักกาคามีอนาคามีเป็นบุญบานหน้าบาปของพระวัสดิ awan ักาการะคามีอนาคามีเป็นบาปที่จะร้อยหลอไปตํากว่านั้นลงมาไม่แน่เพระหลายบางทีทะเลตาทะเลหูทะเลจมูเทะเลลิ้นทะเลกายทะเลใจ ถ้าข้ามทะเลใจได้แล้วก็ข้ามหมดทะเลเหล่านั้นถ้าข้ามทะเลใจไม่ได้ทะเลเหล่านั้นก็ข้ามไม่ได้เหมือนกันทะเลใจเป็นทะเลสําคัญมากถ้ายึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจยึดถือว่าใจมีในตนตนมีในใจใจเป็นแต่สักว่าใจไม่ยึดถือใจเป็นตนตนเป็นใจแต่ใจที่เป็นบาปต้องเว้นใจที่เป็นบุญต้องเจริญใจที่เป็นมักต้องเจริญ ใจไปที่เป็นนิโรธก็ทําให้แก้งยศลงมาถึงใจแห่งดีถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นถ้ารู้เท่าใจหมดก็ข้ามทะเลใจไปแล้วพระาหารข้ามทะเลใจไปเลยพระไม่ยึดถือใจใกล้จะตายมาท่านก็เห็นว่าเป็นแต่สักวะรู้เป็นแต่สภาวะเห็นรพร้อมกับลมหายใจเขา้าออกท่านไม่ยึดถือใจใดๆทั้งสิ้นพวามสิ้นลมปาณ คาที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สักป้ายใจไม่เป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักป้ายใจคาพ่อของเขาลมหายใจเขาออกแล้วท่านก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานไปสักไม่มีวิญญาณปฏิสัติมาติดต่ออีกเลยวิญญาณนงวิญญาณปัจเจ้าวิญญาณก็ดับไปณที่นั้นเองนามรูปดับไปก่อนวิญญาณก็ดับไปณที่นั้นเองอวิชชาตัญหาอุปท า, านก็ดับไปณที่นั้นเองไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ ไม่ต้องอวิทยาดับสังขารดับเวิญญาณดับนามรูปดับอายาุตนะผัดตะเวทนาตัณหาอุปทานดับไม่ต้องว่าลูกระเบิดใหญ่โตเขาถามแล้วแสบไปเจิงเลยไม่เหลือลูกระเบิดอะไรลูกระเบิดสติปัญญาอันที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นนั่นเองคือลูกระเบิดมหาปัญญาเมื่อพิจารณาชัดอย่างนั้นเนี่ยความยึดมั่นถือมันในอุปทานกามุปาทานถือมั่นมันก็ไม่มีทิฏฐปาทานถือมั่นในทิฏฐก็มีก็ไม่มี สีพระตัวประานถือมันในสิ่มพอดก็มีอัตวาทุปารธานถือว่าทะวาตนวาตัวมันไม่มีมันกแปกกระเจางไปในขณะเดียวกันโซ่ที่พันคออยู่นะมันขาดตอนไหนมันก็ออกไปได้ทั้งนั้นไม่หาว่าต้องเปาะนี่ก็ต้องขาดเพราะนี่ก็ต้องขาดเพาะนี่ก็ต้องขาดเพราะนี่ก็ต้องขาดไม่ได้เป็นอย่างนั้นขาดเพราะไหนมันก็ไปได้โซ่พันขาก็เหมือนกันพันคอก็เหมือนกันขาดเปราะไหนมันก็ไปหมดหมดไม่หาว่าจะขาดทุกเปราะ อภิชาดับสังขารก็ดับไปในตัวชาติดับพบก็ดับเหมือนกันพบดับชาตดก็ดับเหมือนกันไม่ยินดีในภพก็ไม่ยินดีในยินดีในชาติเหมือนกันไม่ยินดีในเวทนาก็ไม่ยินดีในตัณหาเหมือนกันก็ไม่ยินดีในอุปาทานเหมือนกันก็ไม่ยินดีในพบเหมือนกันเมื่อไม่ยินดีในหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ไม่ยินดีเหมือนกันเมื่อย้อนลงมาหาหนึ่งแล้วทำลายหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าก็ยิ พราะเเราย่นลงมาหารักหน่วยแล้วเราจะนับถึงล่ามถึงแสนก็าตามก็ย่นลงมาหารักหน่วยเราจะนับขยายออกไปก็ออกไปจากรักหน่วยถ้าทุกก็ย่นลงไปถ้าทุกข์ก็ยน่นขยายออกไปจากจากทุกขย่นทุกข์ลงมาก็ยน ah ก่ น, ยนลล ม, ามาหาเอกระทุกขย่นลอกลงมาลอมาหาเอกระลกยน่นศีลลงมาก็มาหาเอกศีลในปัจจุบันเราหายใจเข้าข้างหนึ่งย่นตรที่ขามารวมแล้ว เมาหายใจออกข้างหนึ่งย่อนตรสี่ขามารวมแล้วลมพอดย่อนพอดชองเจ็ตมารวมแล้วย่อนศีลสมาธิปัญญามารวมแล้วถ้าอย่างนั้นสังขโหมีไว้ทําไหมคือสงเคราะห์ลงมาอะสังขโหไหม่สงเคราะห์ขยายออกสังขโหสงเคราะห์งลงมาเป็นเอกนิบาตเอกนิบาตก็ว่าเอกบทหนึ่งบทมีทำมีบทเดียวย่อนลงมาเป็นบทเดียว บทอะไรคือบทของใจการหูจังเียนกายเป็นเมืองเคลื่อนของกายถ้ารู้เท่าใจแล้วว่าก็บทเรื่องใครเป็นเจ้าแต่งการแต่งงานก็มีใจท่านแต่งคนตายมันแต่งไม่เป็นเพราะมีแต่รูปขันอยู่นั่นรูปขันก็มีดินน้ำไฟลมมันก็ไม่มีผู้รักษาอยู่นั้นมันก็ไม่ลูกอินี่อิหนอินิอะไรทําไมมันจึงมากมันก็มากออกมาจากใจน้อยก็น้อยลงมาหาใจถ้าไม่หลงใจในประการทางพวงก็ไม่หลงทำในประการทางพวงก็ไม่หลงหลงในประการทางพวง โรคอันละเอียดก็คือใจสัง้งๆอันละเอียดก็คือใจน่ฉะนั้นจึงมันอยากว่ารูปจิเตเจตสิกนิพพานรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตผลทางเข้าสู่พนิพพานได้เฉยจิตถ้าทำถูกนี่สิเล่าว่าจิตก็ขวัญจากกิเลสอาสวะไม่ถือมันในอุปทานพระทหารตายแล้วมันจะใส่ชื่อหรือนามาจิตใส่ชื่อหรือนามาจิตแต่พระทหารยังไม่ตาย ส่วนตายแล้วเข้าสู่สิ้นลมปานแล้วเข้าสู่ลมปาณที่ใช้สารพานแล้วไม่ได้ใส่ชื่อกลือนามวาจิตถ้าไปใส่ชือลื่นนำมาจิตมันก็ไม่สมประสงมันก็ไม่สมชันะแกยจะตายแล้วจะมาเรียกคุณหนูมันก็ไม่ถูกมาถึงสิ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นสชนะที่เพิ่งทีนึงทีปฏิปฎิบุตรสร้าอยู่ตรงเงื้อในกุฏิในกุฏิผู้ขาดจองขาดแล้วเมื่อเลึกได้ก็สกับลืกได้เพราะอธิษจารมายังสัตว์แล้วลือกในกุฏิเลืกในกุฏิขอเป็นขาเป็นท่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตรงมื้อ จับเถ่าข้าสู่พระนแล้วเลือกได้เลืกได้กด็กดีขอคโทษตผู้เจ้าสงได้ยขายว่าใจยกตรงเบ่มีประมา่านจับตเถ่าข้าสู่พระนาลแนเลือกได้เมือได้ก็ดีขอยอมเป็นขาเป็นถาดพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์ยู่ตรงเบ่มีประมานจับเถ่าข้าสู่พระนพานป้อกับกายผ้ายกับว่ามาไก่ผีไถ่กับว่ามหาขืนรถขืนเรือไปกับพระมารดาผโทพโทไปถโมก็ย่หันสังฆโคก็ย่หันางพาา อักษรยอจฉยๆหรอกคือเราเคยเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยว่าเคยเห็นหน้ากันยุ้ยกันแตไม่ใ่แค่เห็นตาคือกันเห็นอันอื่นขึ้นกันเห็นแก้มมื่อนะแต่วเขาวาอักษรยอเขาวาพุทโธกับท่โม่สังโฆก็ยู่ในหันละเขาวาทําโม่กับสังโฆพุทโธก็ยู่ในหันเขาวาสังโฆกับท่าโมพุทโธก็ยุ่งในหันเข้าจับเนื้อถึงนังถึงกระดูกขึ้นกันอันเดียวกันเข้าพานทุกวันคงแห้งอาไรให้โลกนี้เหี้ยงไม่ราบเช็ดลาบเมื่อจะมาเกิดแก้เก็บตายอีกวัน เห็นอันนี้จังคณะกิจหนึ่งเห็นโลกรอบนึงแล้วเพราโลกจะไม่รวยอันนี้จังเห็นทุกคณะกิจหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพรโลกจะไม่รวยความทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกแล้วเพราะสิ่งวัตวิณิยู่บังคับเท่านั้นไม่ให้แก่ก็แก่ไ่ให้เจ็บก็เจ็บไ่ให้ตายก็ตายในโลกนี่ไปหาของมันของเทียมวัมวิจักแนวนี่ที่ดีไปไหนก็สร้ชากนี่ออกมาจากดินน้ำแผลล่มละ คาดอามุนีมุนีมุนีพังกอาพังล่องดินไปเป็นดินน้ำไปเป็นน้ำอยไปเป็นไฟร่มไปเป็นร่อเมือนกัาล่ะบาปไปหาบาปบุญไปหาบุญมะขวัญที่พานไปหามะขวัญที่พาด น, นั่นอัตวาทุ ป, ปาทานเนี่ยพุทธศาสนาเป็นข อ, องสำคัญมากอัตวาทุปาทานความเห็นว่าตนว่าตั ว, ตวนั่นเองเม้นอุปท า, านเป็นอุปท า, านใหญ่โตหัวฐานะถ้าพ้นจากอัตวาทุปาทานเนี่ยอุปท า, านทั้งสี่การมุปาทานทิฏฐุปาทานสีระพุตุปาทานสี สิณพศอัตวาทุ ป, ปาทานถือมันวาทะวตนวาตัวนเป็นกิเลสสาคัญมากเป็นจอมพลของกิเลสเป็นจอมพลที่ถือทิฏฐิอัตมิตมานะเหตุฉะนั้นจึงมีอนัตตาทาเป็นลูกระเบิดปรมาโนทิ้งลงแตกก็เจอเหมือนโมขราชโมขราดสำคัญตัวเป็นผู้ฉลาดเราะจะออกมาถาาหม่ก่อน มีมานพเสื้อผ้าคนชื่อรูว่าอาจารย์ผูกปัญห า, าให้มาถามนกคราดบอกว่าในเจ้าพวกเสื้อ้าคนเนี่ยไม่ฉล า, าดเท่าเราเลยเราเข้าไปเราจะถามก่อนพอมาถามนี่ยยุตยุตยุตพุตบอกวาเาศาสตราลาดูักแล้วไม่ใช่วันละของคุณยุดเชี่ยก่อนพอท่านห้ามอย่างนั้นแล้วงานนัดทิศก็ลงไปครึ่งหนึ่งละขออี่รหานเนี่ยยุดยุตยุต ไ, ไม่ใช่วนันะไม่ใช่เวลาของท่านรอเชี่ยก่อน ฮักฮะอั ต, ตวาทุปาทานความเห็นว่าตนฉลาดความเห็นว่าตนฉลาดมากมันก็เป็นอัจชมิมาละไม่ใช่ของค้อยใช่ไหมสาคัญตัวเหตุ น, นั้นจึงถึงขั้งที่สามจึงให้อันจึงจึงให้กร า, าบทูลถามแล้วก็บอกว่าสุญญโตโลโกโอวียคส่วพิจนาอนัตตาเธอจองพิจราณาโลกันของศูนยออ์ อ, อักษรอัตานุทิถึงความเห็น ว, หว่าตนซักมวกขลาดสมาเดจพ ร, ราหันเลย อัตวาัฏฐปาทานเป็นเชี้เด็ดสาคัญมากพระพุทธศาสนาสอนเป็นลําดับเป็นลําดับลํานาหมดแนะอุบายใดๆในเที่ยงใกล้เทียงใกล้พระพุทธศาสนาสอนหมดและคําสอนของพุทธศาสนาเราถ้าเราครบแตกแล้วก็สอนแสดงให้เห็นชัดไม่สงสัยเลยมิสังสัยอย่างไม่สงสัยคือสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิ สอนสวรรค์สมบัติเจ่มภูมิสอนพรมสมบัติเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีลัทธิใดๆจะสอนละเอียดละออมเหมือนพระพุทธศาสนาเลยสอนทั้งอดีตสอนทั้งอนาคตสอนทั้งปัจจุบันด้วยอติตยตังสยานบริบูรณ์อนาคตังสยานบริบูรณ์ปัจจุปันยังสยานบริบูรณ์หมดพระพุทธศาสนาพระพุมาถงพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์ไม่ได้เอามาสอนไม่มีเลย แม่ไหวแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ท่านก็ไม่เอามาสอนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าท่านจะไม่รู้ท่านรู้หมดแล้วเช่นวิชารบราค่าฟันเบียดเบียนสารพัฒรู้จักหมดสิลปศาสตร์ก็รู้จักหมดจิตว า, านักคถาก็รู้จักหมดแต่สิ่งที่ควรเอามาสอนก็ไม่ควรเอามาสอนมันก็ขึ้นอยู่กับมติขององค์ท่านมนุษย์สมบัติคืออะไรมนุษยิบัติคืออะไรก็คืออาวัยามุกทุกประเภทมนุษยิบัติเต็มภูมิถ้าเแรากับมนุษย์สมบัติเต็มภูมิ พรมหาสมน่าเจ้าท่านเอามาไว้แล้วให้พอดีพองามนับแต่จ้ตุกะกรรมกิเลสคือกรรมเครื่องสศรมองสี่ อ, อย่างป้านาที่บาดทําชีวิตต่ให้ตกล่วงอัจฉนาทานถือเอาสิ่งของที่ของมด้ให้อาการแห่งขโมยการมสชีวิช้จานอุปหิตในกรมสีมุสาวาทพูดเ ท, ท็จกรรมสี่อย่างนี่นักบาดไม่สรรเสริญเลยอบายมุ ค, คือเหตุเครื่องคิดพันมีสี่ อ, อย่าง ความเป็นนักเรียนหญิงคนแล้วเป็นนักเรียนสุราเป็นนักเรียนเรื่องการนันความครบคนชั่วเป็นมิตรทษสี่ประการนี่มีคนประกอบที่ทำนี่กท็ทำประโยชน์เรียงไว้จนถึงหมวดสี่หมดหกหมดหกคือก็คือตอนชุดท้ายนับแต่จ้ตุ ก, กัดกรรมชิเดศไปจนถึงเกียรติข้านทํา ง, งานเวทโทษหกอันนั้นเป็นภูมิของสุปฏิพโนเป็นภูมิของผู้สร้างคราวา่าส่วนท้าพิสุจมเรียนของเรามันข้ามมาแล้วไม่จําเป็นจะไปสอนอันนั้น พิเศษสมัยของเราเข้ามาแล้วอันที่ปฏิบัติทุกประเภทเบื้องต้นของพุทธศาสนาสอนได้ยินดีในคนใําสอนของพุทธศาสนาไม่ได้คมเหงให้ยินดีดนหน ใ, หนดให้พิจณาเห็นชัดว่าคําสอนใดๆในใจโลกธาตมันอยู่ใต้อานาจคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเหตุนั้นจึงยอมปฏิ ญ, ญาว่านักจึงในสถานะมันยังสถานะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสถานะของเรา จึงยอมพูดไม่ใช่พูดตามเคยหูของหัดปากเฉยออพูดถึงแต่สมาคมชัดแล้วด้วยมความไม่คมขื่นด้วยความเห็นเองชัดเองไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นคนอื่นถือก็ถือไปตามเขาที่เรียกว่าโลกาเิปไตยถ้าไม่ทําท่าทำทางถึงใจสมาคมก็เก่งคนจิตีเดียนไม่เห็นเขาทาก็ทําไปเพื่อแก้าราคาญในสังคม ไม่ได้เห็นอย่างนั้นผู้ที่เห็นชัดตัดความงสงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนานี้เป็นคําสอนที่ทำมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติตตให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นก็อยอมเคารพนับถือนั่นเรียกว่าชูพระเจ้าปนุเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม